ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาชีวิตที่เหลือน้อยนี้เราก็จะใช้เวลาชีวิตให้มีคุณค่าสูงสุดเลยเนี่ยอย่างเช่นว่าเราถ้าเรามีเวลาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งชีวิตของเราจะจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราดี และเวลาที่มีคุณค่าที่สุดในช่วงของเวลาชีวิตนน้อยอย่างนี้ก็ต้องดําเนินชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ด้วยการมีสติในทุกอิริยาบถให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องกังวลในเรื่องอดีตไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคต ไม่กังวลในปัจจุบันปัจจุบันให้มีสติคุ้มครองจิตใจอยู่กับการทําอะไรต่างๆในแต่ละวันของเราทําชีวิตให้ผ่อนคลายให้มันสบายๆในแต่ละวันเนี่ยเป็นชีวิตที่พักผ่อนฝึกที่จะปล่อยวางควจะฝึกที่จะปล่อยวางนี่ย ปล่อยวางหน้าที่ ก, การงานไม่ต้องไปทํางานการต่างๆที่เราเคยทาเอาไว้ก็ปล่อยวางให้คนอื่นทําต่อไปปล่อยวางทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่จัดสรรให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางครอบครัวญาติพี่น้อง บ้านเรือนต่างๆปล่อยวางแม้กระทั่งตัวของเราปล่อยวางความคิดวางไม่มีอะไรที่จะต้องคิดละไม่มีเรื่องที่จะต้องคิดไม่มีเรื่องที่จะต้องทําเนี่ยเราเราทําสติอยู่กับปัจจุบันในวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเลยซึ่งมันเป็นเวลาที่พักผ่อนนะเนี่ยกสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราพักผ่อนการพักผ่อนนี้ไม่ใช่หมายถึงนอน ไม่ถึงทำจิตใจให้สบายสบยให้มันผ่อนคลายลดละเลิกนะกเรื่องความอยากได้ใกล้ดีต่างๆอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเราต้องรู้จักพอใจพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ความพอใจนั่นแหละมันเป็นความสุขชีวิตที่เป็นอิสระทำชีวิตระยะสุดท้ายใน ให้เป็นสิ่งที่งดงามนะจะเรียกว่าเป็นชีวิตกล้วยไม้ก็ได้ชีวิตกล้วยไม้เนี่ยเป็นชีวิตที่งดงามเราควรจะทำชีวิตไลาเหมือนกับกล้วยไม้ก็คิดตามนิดหนึ่งว่าชีวิตกล้วยไม้กล้วยไม้นี่ถ้าเราแปลกกับกลับไปเนี่ยคําว่ากล้วยไม้เนี่ยเพื่อเป็นใกล้มวยนะ เพราะฉะชีวิตที่จะใกล้มวยชีวิตที่กล้วยไม้หรือใกล้มวยเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่เราให้งดงามโดยการดาเนินชีวิตการมีสติอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ปลดใบ่อยวางไม่ต้องไปถือสาหาความอะไรมาสนใจกับตัวเองให้มากๆใน ว, วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจึงจะมีคุณค่า